มิลินทะปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทะปัญหาเมนตกะปัญหาจะตุทวักขีหิปัพพชิตะปฏิปันนะวั น, นะปัญหาที่ห้าถามว่าคริหัสหรือบัรพชิตก็ดีถ้าปฏิบัติดีจะได้ธรรมวิเศษเหมือนกันหรือไม่ ราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชาองค์การตรัสถามปัญหาอื่นสืบไปเล่าว่าพันเตนาคเสนข่าแต่พระนาคเสนผู้ประกอบไปด้วยยานปรีชาพาสิตังเจตังพะควัตาถ้อยคำนี้สมเด็จพระพิชิตมานโมลีมีพระพุทธดีกาตรัสไว้ว่าพิกขเวดูกะระภิกษุทั้งหลายขีหิวา ปัพชิตโตวาคฤรืหัดก็ดีบรรพชิตก็ดีสำ ม, มาปฏิปันโนมีอุตสาหะปฏิบัติเป็นอันดีแล้วก็อาจรู้ธรรมอันวิเศษคือมากผลเหมือนกันนี่แหละคฤรืหัดนั้นกามโภคีบริโภคกามคุณโอทาตะวะสโนนุ่งห่มผ้าขาวผ้าลายเลี้ยงบุตรภรรยา หลับนอนคลุกคล้าอยู่กับบุตรภรรยาทัดทาดอกไม้ของหอมพร้อมด้วยเครื่องประดับแล้วด้วยแก้วมณนีประดับเมาลีมวยผมสารพัดจะสั่งสมทรัพย์สินทุกประการคฤหัสเป็นกามาโผขีชนนี้ถ้าว่าปฏิบัติดีก็ได้มรรคผลธรรมวิเศษฝ่ายบันประชิตต้องรักษากิจโกนหนวดเคราปลงเผ้าผมนุ่งห่มเล่า ก็แล้วด้วยผ้าย้อมฝาดกระทําให้เสียสีสมาทานศีลสองประการสมาทานธุดง13สิบสาต่อปฏิบัติดีจึงจะได้มรรคผลธรรมวิเศษอาศัยแก่ปฏิบัติเป็นต้นเหตุโกวิเศโสบัรพชิตจะวิเศษกว่าครหัดที่ข้อไหนตะโปกรรมมังอันว่าตะปะกรรมคือศีลที่รักษาไว้ อภพลังหาผลไม่ได้ปพัพ ช, ชาอันว่าบรรพชานิรัตกาหาประโยชน์ไม่ได้สิกขาปะทะโรปนาอันว่าการมรรวังรักษาศิกขาบทวัชชามีโทษทุตังคะสมาทานังอันว่าสมาทานซึ่งทุดงโมคังศูนย์เปล่าหาประโยชน์ไม่ได้ซึ่งจะปฏิบัติไปก็จะลำบากเปล่า ค้ารื้อหัดเขาไม่ได้ความลำบากเลยเขาก็ได้มักได้ผลเหมือนกันก็นี่แหละโยมเห็นเชนนี้ว่าเป็นคฤารื้อหัดอยู่ดีกว่าไม่ใช่หรือพระนาคเกษ็จจริงถวายวิสัชนาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระบรมโลกรุตมาจารมีพระพุทธดีกาโปรดประทานไว้ว่าค้ารื้อหัดก็ดี บรรพชิดก็ดีถ้าว่าปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติแล้วก็จะรู้ธรรมวิเศษมากผลได้บพิษมาทรงรำพึงเห็นไปว่าฝ่ายบรรพชิดนั้นถือว่าอัตมานี้รักษาเพศบรรพชิดอยู่แล้วจะปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติไปต้องการอะไรครั้นบรรพชิดไม่ปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติ คือไม่จำเริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเป็นปุบภภาคส่วนเบื้องต้นที่จะได้มักได้ผลแล้วก็จะแคล้วคลาดปราศจากมักผลนี้ส่วนขราวาตนุ่งผ้าขาวผ้าตาเป็นกามะโพคีบริโภคกามะคุณถ้าว่าปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติแล้วก็จะสำเร็จมักผลอันวิเศษและข้อซึ่งว่าบรรพชิตเพศ วิเศษกว่าคารวาดนั้นณสักกามิอาจประมาณมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเปรียบปานดุดแก้วมณีกามทะททัศะอันให้สำเร็จซึ่งความปรารถนาทั้งปวงเป็นแก้วมโนหะจินดาใครหนออาจสามารถที่จะตีราคาได้ยะถามีครุวนาชันใดก็ดี คุณแห่งบรรพชานี้มีมากนักหนาอัตมามิอาจนับจะประมาณได้มีอุปัยเหมือนแก้วมณีอันมีราคานั้นมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารประการหนึ่งเปรียปานดุดคลื่นมระลอกในสมุทันใหญ่บุคคลผู้ใดไม่อาจสา ม, มารถประมาณได้ฉันใดก็ดีอัตมาภาพมิอาจประมาณคุณแห่งบรรพชานี้ได้ เหมือนคลื่นในมหาสมุทันลึกสุดประมาณนั้นการบรรพชานี้จะให้สำเร็จกิริยาทั้งปวงอัปิเโฉคือจะกระทามากน้อยหนึ่งสันตุโถกราวคือยินดีในลาบแต่ที่ได้ตามกิจสมณะโดยธรรมเป็นประการหนึ่งวิวิตโตคือยินดีจะอยู่ในที่สงัดประการหนึ่งอาสังสัตโถ คือมิได้รัคนปนไปด้วยหมู่คณะประการหนึ่งนิราละโยหาอาไลมิได้ประการหนึ่งอ น, นิเกโตมิได้มีที่อยู่ประการหนึ่งปริบุณณะศีโลมีศีลอันบริบูรณ์ประการหนึ่งสันเลขิตาจาโรมีมารยาทประกอบด้วยความขัดเกลาเป็นสันเลขะสันโดตประการหนึ่งทุตังค่าปฏิปติกุสโล ฉลาดในทุดงขับปฏิบัติประการหนึ่งกิริยาทั้งปวงนี้บรรพชิตจะกระทำแล้วก็กระทำได้สิ้นโดยเร็วพลันไม่ขัดขวางฉันใดก็ดีเปรียบดุจบุคคลลงอาบน้ำในนาทีชำระกายให้หายมลทินและราคีในกายจะได้สมความปรารถนาเป็นอันเร็วนักฉันนั้นขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชาได้ทรงฟังก็สโมสรโสมนาตรัสว่ากัรโลสิพระผู้เป็นเจ้ากล่าวแก้ปัญหานี้ภายเราะแจมแจ้งนักหนาสัมปติฉามิโยมจะรับเอาไว้ในการบัดนี้ขีหิปับพชิตะปฏิปันนวั น, นะปัญหาเป็นคำรบห้าจบเพียงนี้